บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการที่พระพุ้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้บุคคลพิจารณาแยกกายออกเป็นธาตุทั้งห้าทั้งสี่หรือทั้งหตามที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในแง่ของการปฏิบัติแล้ว ยากที่จิตใจของบุคคลจะปรับให้ยอมรับความจริงตามที่ทรงแสดงไว้กนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจของบุคคลมีความยึดติดในความเป็นเราและความเป็นของเราจุมากดังนั้นการที่จะมองร่างกายในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้เห็นว่าเป็นเพียงศักดิ์เ่วทาศ มาประชุมเกาะกลุ่มกันยังมีสัดส่วนจึงจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมะที่เป็นอุปการะเข้าสนับสนุนในธาตุวิพังเกสุตซึ่งเป็นประสูตรที่ ท, ทรงจำแนกธาตุออกเป็นหกประการนั้นในทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นอุปการะเพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ ใจิตใจของบุคคลค่อยๆ ค, ค, ค, ค่อยตามยอมรับถึงความจริงอย่างแท้จริงเหล่านั้นว่าบุคคลไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะและพึงศึกษาทางแห่งความสงบซึ่งหมายความว่าอุปการธรรมที่สำคัญ ในชีวิตประจวันของบุคคลที่จะต้องมีอยู่บ่อยๆและสม่าเสมอมีการกระทาที่สืบเนื่องกันไปนั่นประการแรกจะต้องไม่ประมาทในการใช้ปัญญาลักษณะของการประมาทในการใช้ปัญญานั้ น, นแสดงว่าบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งแล้ว ไม่ได้ใช้เหตุผลความคิดการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะที่ตนเป็นอยู่ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยไม่คำหนึ่งถึงภาระหน้าที่เหล่านั้นบุคคลผู้กระทำเช่นนั้นจึอว่าเป็นผู้ประมาทในการใช้ปัญญาส่วนมาบุคคลที่ไม่ประมาทในการใช้ปัญญานั้น ปัญญาจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดและโดยเครื่องมืออุปกรณ์อย่างไรก็เพียงพยายามที่จะเสริมสร้างปัญญาขึ้นในจุดนั้นๆซึ่งลักษณะของปัญญานั้นทรงแสดงไว้สองชั้นด้วยกันชั้นแรกเป็นการเกิดมาตามลักษณะอุปนิสัยเป็นพื้นฐานทางบา ร, รมีธรรมที่บุคคลเหล่านั้นสะสม อบรมเอาไว้ในภพชาติต่างๆซึ่งในแง่ของบารมีก็เรียกว่าปัญญาบารมีภาษาปัจจุบันอาจจะเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เป็นต้นแต่นั้นก็คือคุณลักษณะของปัญญาที่บุคคลเก็บสะสมไว้ภายในจิตสันดานในสอแสดงให้เห็นแนวโน้มความสนใจความถนัดที่จะศึกษาเรียนรู้หาความเข้าใจ ในเรื่องนั้นๆซึ่งข้อนี้มีตัวอย่างบุคคลเป็นอันมากที่สร้างสมอบรมปัญญามาในด้านนั้นๆและแสดงความเป็นอัจริยะในด้านของเขาในทางของเขาจนกลายเป็นบุคคลที่น่าทึ่งน่าสัจจันจร์สาหรับผู้ประสบ พ, พบเห็นปัญญาในชั้นนี้แต่จะเปรียบแล้วก็เหมือนกับการรับอรรดก มาจากปู่ย่าตาใหญ่หรือพ่อแม่ถ้าหากว่าบุคคลไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่เพิ่มพูนขึ้นโอกาสที่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจะหมดสิ้นไปก็มีได้ดังนั้นจึงทรงสแสดงปัญญาอีกชั้นหนึ่งเอาไว้ที่เรียกประโยคปัญญาคือปัญญาที่จะต้องเกิดขึ้นจากการประกอบการกระทำการบำเพ็ญของบุคคลเหล่านั้นในโอกาสนั้น ซึงทางเกิดของปัญญานั้นก็เริ่มมาจากการศึกษาหรืออาศัยประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสคือตาดูหูฟังเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะเหมือนวัตถุ ด, ดิบที่บุคคลเก็บสะสมเอาไว้ภายในจิตสันดานของตนเมื่อถึงชั้นหนึ่งก็นำมาพินิษพิจรารณา หาประโยชน์หาความรู้หาความเข้าใจจากสิ่งเหล่านั้นประการที่สำคัญในชีวิตประจำวันของบุคคลก็คือหลักที่เรียกกันว่ามณสิกาคือความใส่ใจเรื่องความใส่ใจนั้นอาจจะเป็นทางเกิดของปัญญาก็ได้อาจจะเป็นทางเกิดของความหลงก็ได้ พอพอก็เป็นทางเกิดของกิเลสและเป็นทางเกิดของธรรมะดังนั้นพระผู้มีพระพักเจ้าจึงทรงใช้คําเต็มว่าโยนิโสมนัสิการคือการทําไว้ในใจด้วยอุบาลแยบคายถึงสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนคือได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายถ้าหากว่า บุคคลใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจคือใส่ใจไปแล้วเป็นการเพิ่มพูนเหตุผลเพิ่มพูนคุณธรรมความดีขึ้นภายในจิตใจก็ใส่ใจสนใจในเรื่องเหล่านั้นแต่เรื่องบางเรื่องเมื่อใส่ใจไปแล้วบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดกลับเกิดขึ้นที่เกิดแล้วมีการเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ก็ไม่ใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นนี่เป็นการปฏิบัติในชั้นหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นคุณสมบัติประจำตัวของบุคคลที่มีอยู่แล้วบางครั้งบางคราวก็เป็นอาการที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นว่าจมูกไปได้กลิ่นบางอย่างเห็นว่าไม่น่าสุดดมก็กลั้นใจไว้ กินบางอย่างที่สูตรดมไปแล้วรู้สึกพอใจ ย, ยินดีก็สูตรดมกิ่นเหล่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเราก็ทำกันอยู่เป็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเองแต่เรื่องของปัญญามีความลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่มีปัญญาใช้ทันก็เหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้น บางครั้งบางคราวอารมณ์บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่สายเกินแก้ซึ่งพอๆกับการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันถ้าว่าปัญญาเกิดขึ้นช้าความมัวเมาประมาทมีอยู่มากว่าจะนึกอะไรทันก็สายเกินการไปดังนั้นชั้นของการมนานัติการคือความใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจ กลับในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจนั้นในชั้นของการปฏิบัติแล้วจะต้องเป็นไปทันทีทันควันกับเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นนี่เป็นการปฏิบัติระดับใช้ปัญญาชั้นหนึ่งตีอีกชั้นหนึ่งนั้นเป็นความแหลมคมของปัญญาที่บุคคลได้สร้างสมได้เก็บได้อบรมไปมากพอแล้ว สิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสและแม้แต่ที่เก็บไว้ภายในจิตใจจะเป็นอะไรไม่มีความสําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าบุคคลสามารถแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เลวโดยสภาพหรือเป็นสิ่งที่ดีโดยสภาพ แต่บุคคลที่มีปัญญาจริงๆแล้วย่อมหาประโยชน์ได้ทั้งจากสิ่งที่ดีและจากสิ่งที่ไม่ดีข้อ น, นี้พึงดูอารมณ์ของกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงแสดงเอาไว้อารมณ์ของกรรมฐานเหล่านั้นบางอย่างก็เป็นอารมณ์ที่ดีอยู่โดยสภาพเช่นพุทธานุสติการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการลึกถึงคุณของพระธรรมการลึกถึงคุณของพระสง์ สิ่งเหล่านี้ดีอยู่แล้วโดยสภาพเป็นเพียงแต่บุคคลมีสติระลึกอยู่ที่คุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเท่านั้นความสงบในด้านจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นแต่อีกชั้นหนึ่งนั้นจอเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะขยางส่มาบุคคลทั่วไปแต่ว่าอาศัยการใช้ปัญญาที่แหลมคมมากพอก็อหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ เช่นความปฏิกูลของอาหารการแยกร่างกายออกเป็นธาตุหรือการศึกษาสภาพที่แท้จริงแห่งชีวิตจากซากศพในปาช้าต่างๆสิ่งเหล่านี้โดยสภาพแล้วก็น่าขยะขยงน่ารังเกียจสมหรับคนทั่วไปแต่วิสัยของผู้มีปัญญาแล้วก็พร้อมที่จะหาประโยชน์จากซากศพเป็นต้นเหล่านั้นได้ ในชั้นนี้เรื่องอะไรนั้นไม่สำคัญเท่ากับอย่างไรเพราะสิ่งที่ปรากฏนั้นก็คือสิ่งที่ปรากฏการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของบุคคลถ้าหากว่าเป็นคนไม่มีปัญญาแม้สิ่งที่มีประโยชน์ก็ทำให้เสียประโยชน์ไปได้แต่ว่าคนที่มีปัญญาแล้วแม้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็สามารถหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ ในชั้นของการพินิษ์พิจารณาในแนวของปัญญาระดับกรรมฐานระดับที่จำแนกแยกแยะกายออกเป็นาธาตุนั้นโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการให้คนพร้อมที่จะยอมรับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดานั่นเองแต่ว่าให้เพิกถอนความยึดติดในรูปแบบต่างๆที่อาศัยการเกาะกุมกัน อาศัยยางเหนียวคือกิเลสคือตัณหาเป็นต้นที่ผูกมัดระรึงใจอยู่เปลี่ยนพยายามเพิกถอนความยึดติดในแนวนั้นออกไปและพยายามหาความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงการใช้ปัญญาจึงมีอยู่สองแนวทำไมจึงมีอยู่สองแนวเพราะการที่บุคคลยึดติดในสิ่งต่างๆนั้นจะเป็นการยึดติดในสองแนว ทีสมบูรณบาลีท่นานใช้คําว่าถือโดยนิมิตกับถือโดยพยัญชนะถือโดยนิมิตนั้นหมายความว่าจะจับเอาจุดใดจุดหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นเข้ามากําหนดว่าสวยว่างามจะอาจจะมองวัตถุก็ส่วนนั้นสวยงามส่วนนี้สวยงามมองคนก็จุดนั้นสวยงามจุดนี้สวยงามไปต้นการมองในแนวแยกลักษณะเช่นนี้ มีอยู่ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นเดือนเป็นรถเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ตามแต่เมื่อมองปักลงไปเช่นนี้ความกำหนัดในอารมณ์ต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปความโศกความรำไรรำพันก็จะติดตามมาเมื่ออารมณ์เหล่านั้นถูกคนอื่นยื้อแจ้งหรือถูกคนอื่นทาลายไป ก็เกิดโทสะกเกิดประทุษร้ายเป็นการดึงกิเลส ท, ทั้งกระบวนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นดัง น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนปัญญาในแนวที่ให้บุคคลกำหนดแยกเมื่อถือแยกได้ก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปแยกได้ด้วยเพราะการกำหนดถือในแนวนั้นเป็นการบงการของกิเลสอันเกิดขึ้นจากโมหะเป็นพื้นฐาน มีการกําหนดหมายในจุดนั้นน่าไข้น่าปรารถนาน่าพอใจเพราะฉะนั้นต้องอาศัยปัญญาเข้าไปชํำแรกเพื่อไปขจัดความมืดบอดเหล่านั้นมองในจุดเดียวกันนั้นเองแต่มองอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นตำานองการพลิกเหรียญด้านหนึ่งขึ้นมาดูตามสภาพความเป็นจริงของเหรียญเหล่านั้นก็จะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้ว เป็นการเกาะกรุมกันเท่านั้นเองร่างกายที่บุคคลกำหนดหมายว่าสวยว่างามว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นต้นนั้นแท้จริงแล้วก็อาจจะแยกย่อยออกไปเป็นดินน้ำลงไาและในสัดส่วนของความเป็นดินน้ำลงพายนั้นลักษณะใดที่มีความแข็งแข็งจับต้องได้ยกเคลื่อนย้ายไปมาได้ ซึ่งมีอยู่ในกายนี้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยวในกระดูกม้ามหัวใจตับทงังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารก่าวไปจนนั่นก็คือส่วนของภาตดินที่เด่นชันลนาดลักษณะใดที่ไหลเ อ, อ, อิบอาบไปมาได้ันปรากฏอยู่ในกายนี้เป็นนันมากเช่นน้ำลายน้ำเลือดน้าตาน้าไขข้อเปลียวมันน้ามูกเป็นต้นซึ่งเกาะกลุ่มกันอยู่ในกาย ตอนนั้นก็คือธาตุธาตุน้ําลักษณะใดที่พัดผันไปมาได้เช่นลมหายใจลม ใ, ลมในท้องลมในทายลมตามตัวตนั้นก็เป็นเพียงธาตุลมลักษณะใดที่ทํากายอบอุ่นทํากายสุดโทมทํากายให้กระวนกระวายผ่าอาหารให้ย่อยนั้นก็เป็นธาตุไฟช่องว่างอันใดที่มามีอยู่ในกายนี้ไม่ใช่ในไม่ว่าในช่องว่างส่วนต่างๆเช่นช่องตาช่องจมูกช่องหูเป็นต้น ตลอดถึงช่องระหว่างเซนที่มีอยู่ในร่างกายของคนก้อนนั้นก็มีอากาศาธาตุมีาธาตทั้งห้าประการมาประกอบกันก็ไม่ได้ทําให้มีชีวิตมีวิญญาณขึ้นพระแท้ที่จริงแล้วต้นไม้ทั้งหลายหรือวัตถุทั้งหลายก็ประกอบด้วยาธาตุทั้ง4ี่หรือแม้าธาตุทั้งห้าเือนกันดังนั้นจึงมีาธาตุสาคัญอีกประการหนึ่งคือวิญญาณธาตุดังที่กล่าวแล้ว มาผสมกันข้าวก็กลายเป็นชีวิตกลายเป็นคนกลายเป็นสัตว์แต่เมื่อแยกย่อยออกไปแล้วก็ไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์อย่างที่ทรงอุปมาไว้ในมหาสติปัฏฐานในสูตรเพื่อให้ดูเหมือนกับการที่คนฆ่าโคชำละโคกองไว้ในที่ต่างๆในแง่รวมแน่นอนคราวหนึ่งก็เป็นตัวโคตัวหนึ่งแต่พอย่อยออกไปแล้วหาความเป็นโคไม่เจอ มีแต่เขาโคหนังโคเนื้อโครกระดูกโคเป็นต้นชีวิตร่างกายของบุคคลเราที่มีการกําหนดหมายมีการยึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราจนก่อให้เกิดเป็นความกําหนัดบ้างเป็นความกัดเคืองบ้างร่มหลงบวมเมาพิคาตข่าวฟันกันเป็นต้นแต่จริงแล้วก็สักแต่ประทาตมาเกาะกลุมประชุมกันเท่านั้นการใช้ปัญญามองในแนวนี้ จะต้องเป็นการมองในแนวที่สติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ที่บางเกิดขึ้นค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมความคิดเหล่านี้เอาไว้อยู่สม่ำเสมอซึ่งการสะสมนั้นจะเป็นไปทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งบุคคลมองเห็นกันได้ในชีวิตประจําวันของตนเช่นการที่ไปอยู่ในบรรยากาศซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์สูตรอากาศเข้าไปก็ทําให้ มีเรี่ยวแรงมีกำมังมีการสะสมสิ่งที่ดีงามไว้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายไว้ก็กลายเป็นความแข็งแกรง่งความแข็งแรงในส่วนร่างกายแต่ในขณะเดียวกันที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบรรยากาศซึ่งเป็นพิษเป็นภยัยเก็บสะสมสูตรเข้าไปบ่อยๆก็สร้างเป็นเชื้อโรคที่จะเป็นพิษเป็นภยัยแก่ร่างกายขึ้นมา เรื่องนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นการเก็บการสะสมไม่นานนั้นครนี้ท่านที่เกี่ยวข้องกับในวงการแพทย์คงจะรู้กันดีว่าบางครั้งอุบัติเหตุสมัยที่เราเป็นเด็กได้ทำไปเวลาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเวลาแก่เข้าสิ่งเหล่านั้นกลับย้อนมาเป็นพิษเป็นภัยได้ต่างๆ ท, ที่ผ่านมานานแล้ว แต่แกก็เก็บแกะสะสมไว้เราคอยเหตุปัจจัยในระยะหนึ่งนั้นภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงก็ทําอะไรไม่ได้แต่แกก็คงสภ า, าพนั้นอยู่พอภูมิต้านทานของโรคน้อยลงร่างกายอ่อนเพลียลงแกก็สําแดงฤทธิ์สำแด ง, แดงอานาจออกมาได้เรื่องของกุศลเรื่องของอกุศลที่บุคคลเก็บสะสมไว้ภายในจิตใจก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน เป็นเรื่องของการเก็บบ่อยๆการสะสมไว้บ่อยๆแล้วําแดงผลออกมาต่อชีวิตของบุคคลตามลักษณะของกุศลอกุศลเหล่านั้นในกรณีของปัญญาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมองอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเมื่อไปกาหนดหมายในแง่ย่อยในส่วนย่อยของสิ่งนั้นๆว่าสวยว่างามก็ต้องอยางให้ลึกลงไป ว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในแนวนี้ในเชิงของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะพบว่าบางครัางบางคราวไม้อาหารที่รับประทานเข้าไปก็สามารถสร้างเหตุปัใจจัยให้เกิดปัญญาในแนวนี้ขึ้นมาได้ยินส่วนของอาหารที่ตักเข้ารับประทานนั้นแท้จริงก็คือส่วนย่อยที่ออกมาจากส่วนใหญ่ ซึ่งในครั้งหนึ่งมีการกำหนดหมายว่าสวยเบิงา ม, มาหน่าใคร่น้าปรารถนาน้าพอใจแต่ย่อยออกมาแล้วความเป็นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีแม้แต่ความอรเด็ดอร่อยที่กำหนดว่าอรเด็ดอร่อยก็ผ่านไปแล้วก็จะรู้สึกขยะขยงเป็นต้นที่จริงก็เป็นเรื่องที่คิดกันได้ในชีวิตของคนเรานั่นเองดังนั้นอารมณ์ของกรรมฐานในการเสริมสร้างปัญญานั้นจึงมีอยู่ทุกคนทุกแห่ง แม้ในจานของอาหารแม้ในเสื้อผ้าที่ใช้แม้ในซากสัตว์ที่ตายแม้ในซากปรักหักพังของบ้านของเรือนของสิ่งต่างๆของรถเป็นต้นทั้งลายแต่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ทั้งนั้นในกรณีนี้ดังที่กล่าวมาแล้วว่าสําคัญอยู่ที่เราคิดอย่างไรแต่นั้นเองตากาคิดได้เข้าใจได้ ก็จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อมองเห็นได้ในจุดหนึ่งแล้วความรู้ความเข้าใจก็จะคืบคลานเข้าไปหาในจุดอื่นอย่างที่ทรงแสดงว่าเห็นกายในกายทั้งภายในและกายที่เป็นภายนอกอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ใกล้คิดที่สุดก็คือตนของตนเอง หากว่าเรียนรู้ที่ตนก็นตนเองได้คนอื่นก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันดังนั้นหลักการในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนที่ตนเองแม้ในชั้นของศีลธรรมเบื้องตน้นเดี๋ในชั้นของศีลที่เป็นเบื้องต้นจะพบว่ากุศลเจตนาในการที่จะสมาทานงดเว้นศีลทั้งห้าประการจะเกิดขึ้นแก่บุคคลได้นั้น ก็เพราะมาปรารภมาเรียนรู้มาเข้าใจตนเองทําตนเองเป็นอุปมาได้เรา ต, ตนเองไม่ต้องการให้ใครฆ่าใครเบียดเบียนในด้านทรัพย์สินระเวณีโกหกหลอกลวงตนเั่นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นก็มีความต้องการมีความปรารถนาเช่นเดียวกันเช่นั้นเพอกุศ ล, ลเจตนาเริ่มได้ในจุดเล็กๆ เ, เพียงเท่านี้เหตุผลต่างๆก็จะเกิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น บางคนไม่จำเป็นจะต้องสมาทานศีลด้วยซ้ำไปแต่ใจที่คิดทันระลึกทันก็ตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าระงับการฆ่าการถือเอาสิ่งของของบุคคลอื่นการละเมิดทางประเวณีได้นั่นก็คือการเรียนรู้ที่ตนเองการเข้าใจตนเองพอมาถึงชั้นของกรรมฐานซึ่งเป็นชั้นประณีตขึ้นจาเป็นที่จะต้องอาศัยปัญญามากขึ้น เพราะว่าสิ่งเหล่านี้แกเกาะกลุ้มแกรวมกันอยู่แล้วมองกันก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยถึงเห็นก็ทําไปไม่เป็นไม่เห็นเถอะและในที่สุดความรู้สึกกําหนัดยินดีรักใคร่พอใจหลายลงก็ <c oughs> บังเกิดอยู่ในอารมณ์หลอดนั้น <c oughs> เพิ่มขึ้นมาโดยลําดับเวลาขัดกลาวากทีก็ขัดกลาวกันยากแต่ถ้าอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ เราลึลกรู้ให้ทันโดยนัยะดังกล่าวก็เป็นการเก็บการสะสมไว้บ่อยๆเพราะถึงจุดหนึ่งมันเหมือนกับผลไม้ที่สุกงอมเต็มที่มันก็พร้อมที่จะหล่นได้ความคิดในแนวนี้ที่เรียกว่าเป็นสันเลขะคือขัดเกลารมีพระเทระบางรูปในสมัยพุทธกาลนั้นลักษณะ น, นิสัยของท่านก็เป็นคนออกจะเกะกะยุ่นจาน วุ่นวายพอสมควรพระพุทธเจ้าก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาไปเรื่อยๆองค์เกกะมาตั้งแต่บวชใหม่ๆพรรษา20 30แล้วจึงไปแก้ได้นั่นเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่ได้รับการตำหนิบ้างรับการแนะนำสั่งสอนบ้างและยินได้ฟังการสนทนากันบ้างความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นค่อยๆเกิดขึ้นเก็บสะสมอยู่ภายในใจิตใจ เมื่อแกเกิดขึ้นแกก็ทําหน้าที่สลายสิ่งที่ทรงกันข้ามคือความหลงบ้างความโกรธบ้างความอาฆาตพยาบาทบ้างคุณภาพของจิตท่านก็ดีขึ้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นกรรมนิยะคือใช้งานได้เมื่อถึงจุดที่ใช้งานได้พระพุทธเจ้าก็จะเริ่มแสดงธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านเดินไปในทางที่ถูกต้อง การขัดเกลารในแนวนี้จึงต้องอาศัยมีการกระทาบ่อยๆกระทาสืบเนื่องกระทาโดยติดต่อแม้แต่ก่อนที่จะนอนยกอารมณ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคิดเป็นการเสริมสร้างปัญญาเอาไว้ทั้งพบทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งสูดดมทั้งลิมทั้งถูกต้องปัญญาเกิดทันระลึรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นคิดได้ ตอนใหมๆอาจจะไม่เห็นอะไรทํานองเดียวกับตอนอ่านหนังสือสระอาสระอาอ่านไม่ออกแต่เก็บไว้บ่อยๆในที่สุดเราก็อ่านหนังสือได้การมองในแนวหนึ่งของบุคคลนั้นเป็นการรวบถือกําหนดกันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นก้อนเป็นกลุ่มกันไปเลยจเป็นคนก็กําหนดทั้งคนเลยเป็นบ้านเป็นรถก็กําหนดทั้งบ้านทั้งรถกันเลย ดังนั้นในแนวนี้พระผู้มีพระภากยาว้วจึงทรงสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณามองในจุดนั้นเองแต่มองให้ทะลุลงไปก็จะมองเห็นถึงความไม่สวยไม่งามเป็นที่ตั้งแห่งของปฏิกูลนาเกลียดต่างๆเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องของการใช้ปัญญานั้น เป็นการใช้สะท้อนเข้าไปสลายความปักใจความฝังใจที่มีอยู่ภายในจิตของบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการกำหนดหมายสิ่งต่างๆซึ่งตามปกติแล้วไม่สวยไม่งามก็จะไปกำหนดหมายว่าสวยเ่างงามถ้ามองให้ซึ้งลงไปถามว่าที่จริงเรารู้ไหมว่าไม่สวยไม่งาม ก็ตอบได้ว่าในเชิงปริยัติแล้วก็รู้แต่ว่าไม่เข้าถึงจิตใจเป็นการรู้อย่างฉาบฉวยคือแก้ปัญหาไม่ได้คล้ายๆกับสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้รู้เรื่องของอาหารนั่นเองแต่ก็จริงแล้วปรุงรับประทานไม่ได้เมื่อปรุงรับประทานไม่ได้ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้เหล่านั้นแต่เมื่อบุคคลได้คิดบ่อย ก็จะเห็นความจริงทั้งสองด้านอย่างน้อยที่สุดก็แบ่งใจไว้ครึ่งหนึ่งระหว่างความสวยงามกับความจริงที่เป็นจริงถึงจะกำหนัดก็ไม่กำหนัดมากจนเกินไปจนถึงกระทำทุจริตอีกในแนวหนึ่งคือเป็นการกาหนดหมายว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงถ้าจะถามในแง่ของปริยัติว่าเราเห็นไหมว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ที่จริงก็เห็นแต่เห็นแบบปริยัตเหมือนกันไม่ถึงใจเป็นกันเพราะมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยเมื่อคนอื่นประสบกับความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมสูญความแตกสลายของสิ่งต่างๆสามารถให้คติสามารถให้แนวคิดแก่บุคคลเหล่านั้นปลุกปลอบคนอื่นเขาได้ชี้แจงให้เหตุผลแก่เขาได้ แต่พอถึงตนเองข้าวกลายเป็นผงข้าวตาตัวเองเขียนไม่ได้ดังนั้นการเสริมสร้างปัญญาจึงต้องเสริมสร้างขึ้นจนอยู่ในจุดที่ช่วยตัวเองได้จะเรียกว่านิปปโกคือปัญญารักษาตนได้ถ้ายังไม่อยู่ในจุดนี้ก็ไม่ควรแก่การไว้วางใจว่าจะไม่ถูกครอบงำด้วยความกาหนัดเกิดเคืองลุ่มหลงุ การใช้ปัญญาจึงต้องใช้เรื่อยไปสม่ำเสมอทันกับกรณีกเหตุการณ์นั้นๆเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้ปัญญาในการสร้างปัญญาเมื่อมีการกระทําบ่อยๆด้เรื่อยไปก็จะได้หลักคุ้มครองจิตใจตัดสินปัญหาตัดกระแสของกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะได้จนตัดได้สิ้นเชิงในที่สุด ต่อจากนี้ไปราขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป